ขันธิวาสิกาปโตสะพันลังคังนามมิตังขันธวามนิวรตัมหานิมีเสนาสะโพคคเนปุณจันโดวาสานิมีสังนามมิตัง วันตามิโซนเพนาโทดัเสตวะปาติหาริยังวิสาโทวิยาจังกมีเสจังกมังนามิตาหังวันตามิโซนเพนาโท ทศตว่าต ok ิหาริยังวาสาโดวิจังกมีสัจังกามังนามิตังโตระนัดทิตสังกาโซโรกโครัตนาคาเรโตเซสิชนังรังเสหี สขารารังนามามิตหังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชนะมารทั้งห้ามีกิเลสสมารโดยสิ้นเชิงแล้วพระองค์ทรงธรรมอารัตมะขยานให้เกิดขึ้นทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราพระจอมมูนีเสด็จออกจากโพธิพุกเสด็จประทับอยู่ณสถานที่อันประเสริฐด้วยพระเนตรพระเนตรที่ไม่ทรงกระพริบเปรียบดังพระจันทร์วันเพ็ญบนท้องฟ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น พร้อมสถานที่อันประเสริฐที่ทรงไม่บพิพเนศนั้นด้วยเสียงก้าพระนาถาเจ้าพระองค์ใดทรงคลายอามิตรแล้วทรงแสดงยะมะกะปปติหารอันน่าอัศจรรย์สเสด็จจงกรมอง์อาจตังราชสีนรัตนจงกลมเจดีข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พทธเจ้าพร้อมณสถานที่จงกลมเจดีนั้นด้วยเสียงก้า พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระไตรโลกนาถผู้เปรียบเสมือนเสาเขื่อนอันมั่นคงสเสด็จประทับอยู่ในรัตนคราชเจดียเจดียเรือนแก้วยังมหาชนให้สมณัาด้วยพระฉปันรังสีข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระชินเจ้าพระองค์นั้นพร้อมสถานที่ทรงสแสดงพระอภิธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าว ขอนอบน้อมพระธรรมด้วยนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อขอความเจริญในธรรมทั้งหลายจงมีแด่พุทธบริษัทที่มาอบรมมาฝึกฝนในการประพฤติธปฏิบัติเดินตามรอยบาทรพระศ า, าสดาณโยพุทธแห่งนี้เพราะเราท่านทั้งหลายจงตัณหนักแล้วก็ระลึกถึง ถ้าทําคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพด้วยความนอบน้อมอย่างยิ่งว่าเป็นบุญญาลาภของเราท่านทั้งหลายแล้วที่เราท่านทั้งหลายได้มีอัตภาพในการเป็นมนุษย์ได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาก่็คือคําสอนของพระบรมศาสดาได้มีโอกาสนําพากระแสชีวิตของตนเองมาฝึกฝนในการเจริญตามรอยบาทรพระศาสดา ขอให้เราเกิดความภูมิใจแล้วก็มั่นใจว่าเราได้ยอดกัลยาณมิตรอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบเป็นบุคคลแบบตัวอย่างเป็นเอกบุรุษของโลกที่พระองค์อุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อพวกเราโดยแท้พระเจ้าทรงบำเพ็ญพระบรารมีมาอย่างยาวไกลโดยจิตใจที่มุ่งหมายแล้วก็ปรารถนาว่า เมื in ่อเราได้ตัสรู <nước> uh, ้แ <Tonight> ล้วจกยังสัตว์อื่นให้ตัสรู้ด้วยเมื่อเราข้ามได้แล้วจกยังสัตว์อื่นให้ข้ามได้ด้วยเมื่อเราพ้นจากสังสารวัฏแล้วจะให้สัตว์อื่นพ้นจากสังสารวัฏด้วยเมื่อเราหายใจคล่องแล้วจะให้สัตว์อื่นหายใจคล่องด้วยซึ่งปณิธานที่พระองค์ทรงตั้งเอาไว้แล้วก็บำเพ็ญบารมีมานั้นพระองค์ก็สามารถกระทามาได้อย่าง ต่อเนื่องและที่สุดจริงๆพระ อ, องค์ก็ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทญาณอันยอดเยี่ยมโดยเราท่านทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเป็นบริษัทของท่านผู้รู้ผู้แทงตลอดอริยสัจจได้ด้วยตนเองและพระ อ, องค์ก็จุดคบเพลิงแห่งธรรมะการรู้พระธรรมคําสอนปลุกกระแสะจิตของเรานั้นให้ตื่นขึ้นมา จากการหลับไหลด้วยอำนาจของความกำหนัดความยินดีเพิดเพลินด้วยอำนาจความกโกรธความเครียดความพยาบาทด้วยอำนาจถึงความมืดบอดความมัวเมาลุ่มหลงตอนนี้คบเพลิงแห่งพระธรรมกาวคือศีล ส, สมาธิปัญญาอริยสัจสีเป็นต้นได้จุดมาสองพันกว่าปีแล้วปลุกประชาสัตว์ทั้งหลายที่หลับไหลจมอยู่ในสังสารวัฏให้ตื่นขึ้นมา สัตว์ทั้งหลายที่ตื่นขึ้นมาเมื่อได้รับแสงสว่างจากคบเพลิงแห่งธรรมะที่พระองค์ได้จุดก็ได้รับประโยชน์ได้เห็นได้เข้าถึงแสงสว่างได้เห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรและไม่ควรเป็นต้นวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาฝึกฝนอบรมเพื่อต้องการจะพูดปฏิบัติและต้องการที่จะขัดเกลาตนเองจริงๆเพื่อทาตนเองนั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ฟองแพลว จากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายคือควราคะโทรศัพทและโมหะเป็นต้นเรารู้ว่ากิเลสนี้เป็นตัวทําให้กระแสชีวิตของเราเนี่ยสกรปรกมากพระเจ้าบอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นปุถุชนเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่สะอาดเมื่อไม่สะอาดเพราะอะไรเพราะความโลภเป็นเหตุทําให้สัตว์นั้นเปอะเปื่อนความโกรธก็ทําให้สัตว์นั้นเปรอะเปื้อนและความมัวเมามืดบอดทั้งหลายก็ทําให้สัตว์โลกนั้นเปรอะเปื้อนได้มนทินคือกิเลสเหล่านี้ ฉะนั้นเราต้องการจะมาชำระสิ่งที่สกรปรกสิ่งที่ไม่สะอาดในกระแสชีวิตของเรานี่แหละให้เป็นกระแสชีวิตที่สะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วไร้มนลทินเออเราก็จะต้องมารับการฝึกขั ด, ข, ดขัดเกลาฉะนั้นก็จะต้องใช้ศรัทธาคือความเชื่อมั่นว่าแนวทางนี้ที่เราเข้ามาในการฝึกอบรมเนี่ยในโครงการเนี่ยสัมมาปฏิบัติเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ดีงามเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง ที่จะนำพากระแสชีวิตของเราทั้งหลายให้รอดปลอดภัยจากสังสารวัตแล้วก็เข้าถึงความหลุดพ้นได้อย่างมั่นใจอย่างแท้จริงเมื่อเราได้ตั้งใจเข้ามาในโครงการนี้แล้วก็ท่านทั้งหลายก็ไม่ควรหลับไหลก็ควรที่จะปลุกตนเองด้วยกำลังของสตินั่นแหละให้ตื่นขึ้นมานะทขนาขณะทําเวลาทั้งหลายอนะย่าให้ผ่านไปนะโดยการเปล่าประโยชน์ก็ท่านใช้คาว่า ขะนะอย่าจะได้ล่วงท่านไปเสียก็หมายความว่า่าปล่อยวันเวลาผ่านไปโดยที่น ท, ทว่าเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยสักแต่ว่าหายใจทิ้งไปวันวันวนี้เป็นต้นก็หมายความว่าวันหนึ่งวันหนึ่งแต่และเวลาเนี่ยมันผ่านไปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยท่านทั้งหลายให้ขวนขวายเพื่อจะเอาประโยชน์ก็คือประโยชน์ก็คือว่าตอนนี้เราสามารถประชุม ศีลสัมปท า, าให้ถึงพร้อมหรื อ, อยังเออประโยชน์ตรงเนี้ยเออประโยชน์ก็คือว่าตอนเนี้เมื่อเราได้ศรัทธาในพระเจ้าแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่นั้นแกโอ้พระเจ้าดีจริงหนอพระธรรมดีจริงหนอว่าสงฆ์พระยาสงฆ์ดีจริงหนอท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดพระธรรมก็เป็นนิน ญ, ญานิกธรรมเป็นธรรมนำออกนําสัตว์ออกแต่ว่าจะทุกข์ได้จริงไม่ใช่อยู่เพียงแค่นั้นนะพุระเจ้าบอกว่าเอาละ เมื่อได้กุลบุตรกุลธิดาทั้งหลายที่มีศรัทธาเชื่อมั่นในพระตถาคตเชื่อมั่นในพระเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้บุคคลที่มีศรัทธาทั้งหลายนั้นตั้งมั่นในศีลเอาตัวกุศลศีลมาประชุมในกระแสชีวิตเนี่ยให้ถึงพร้อมทําตัวกุศลศีลทั้งวาไิต์ศีลและจารีศีลให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเออทํำยังไงเนี่ยจะให้ถึงพร้อมเมื่อช่วงภาคบ่าย ได้พูดถึงในเรื่องการวิธีการที่จะทำให้กุศลศีลเกิดซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราท่านทั้งหลายนะที่ไม่ได้สมาทานศีลรักษาศีลแล้วก็ทำศีลที่มันพัฒนาจริงๆโดยส่วนใหญ่เราก็จะรักษาศีลกันแบบสมาทานแล้วก็จบแล้วก็มีความสำนึกคิดว่าเออเราเป็นผู้มีศีลแล้วโดยมากเราจะเป็นอย่างนั้นแต่การรักษาศีลอย่างนั้นมีผลไม่มากมีอนิสงไม่มาก ไม่เป็นไปเพื่อปลาโมดคือความฉ่ำชื่นใจนะไม่เป็นไปเพื่อปีติคือความล่าเริงอาถานไม่เป็นไปเพื่อปสัสสตที่คือความสงบไม่เป็นไปเพื่อสุขสมนัสคือความเยือกเย็นผ่องใสไม่เป็นไปเพื่อสมาธิคือความตั้งมั่นที่แน่วแน่ไม่เป็นไปเพื่อญาณปัญญาเพื่อแทงตลอดสัจจะตามความเป็นจริงฉะนั้นการรักษาศีลที่มีตัณหาความทยานอยาก มีมานะความยกตนชูตนแล้วก็มีทิฏฐิคือความเห็นผิดเครือบแคลงอยู่การรักษาศีลอย่างนั้นน่ยมีผลน้อยมีอานิสงส์น้อยไม่เป็นไปเพื่อความพ้นจากวัฏทุกข์แต่เป็นไปเพื่อวัตจตัในกรณีอย่างนี้พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาไม่ให้รักษาศีลแบบนั้นจงรักษาศีลในการที่จะพัฒนาตัวกุศลศีลให้เกิดขึ้นได้จริงๆ เขาเรียกว่าศีละสำบัติธาทําตัวกุศลศีลได้ถึงพร้อมทุกด้านก็หมายความว่าปรับพฤติกรรมทางกายและพฤติกรรมทางวาจาเนี่ยให้เป็นศีลได้จริงๆโดยเอาตัวกุศลศีลคือเจตนาคือความจงใจคือความตั้งใจที่จะทํากายทําวาจาของตนเองเนี่ยให้เรียบร้อยให้ดีงามทําข้อปฏิบัติทั้งหลายที่มันเป็นจารีตเป็นประเพณีแก่งการรักษาศีลทั้งหลายเนี่ยให้ดีงามเป็นต้นด้วย เราอยู่กับเพื่อนแล้วก็ปฏิบัติต่อเพื่อนได้อย่างถูกต้องเป็นการฝึกปรือทำตัวกุศลศีลของเราให้ถึงพร้อมนะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เรามานั่งกันอยู่ในสถานที่ตรงนี้เนี่ยนี่เขาเรียกว่าเพื่อนประพฤติปฏิบัติธรรมนะแล้วก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยเขาเรียกผู้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันนี่เขาเรียกว่าผู้ประพฤติธรรมร่วมกัน ถามว่าเมื่อเราเกี่ยวข้องกับเพื่อนที่ประพฤติทําร่วมกันเนี่ยถามว่ากุศลศีลข้อไหนนะ้ะที่เราควรจะทําให้มีให้เกิดขึ้นถามว่าที่ควรจะทําให้มีให้เกิดขึ้นจริงๆก็คือว่าถามว่ากุศลศีลเนี่ยเรางดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลากักงดเว้นจากการประพฤติผิดในการเป็นต้นแล้วก็งดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคําหยาบและเพ้อเจอ้อและในกระแสะชีวิตของเราก็ไม่มีของหมื่นเมาไปเกลือกกล้ว แล้วเราก็ยังมารักษาศีลที่อุกฤษขึ้นมาในการขัดเกลาต์ตนเองด้วยด้วยการที่จะทำกระแสชีวิตของตนเองนั้นไม่เห็นแก่ปากแค่ท้องพัฒนาฝึกฝนตนเองเต็มที่เลยและก็ไม่เห็นแก่การประดับประดาตกแต่งไม่เห็นแก่การไปดูเครื่องดูการละเล่นที่จะย้อมใจทำให้จิตรมัวเมาและก็ไม่เห็นสนใจในเรื่องผัสสะที่จะทาให้ตัณหามันเกิดราคะทางผิวหนังเป็นต้นเหล่านี้ ไม่นอนที่นอนใหญ่โตสูงอย่างนี้เป็นต้นเอาละถามตรงนี้เวลาเราอยู่กับเพื่อนเนี่ยเราปฏิบัติร่วมกันยังไงเรามีของเราก็สามารถให้เพื่อนได้เจอมั้ยว่าทีนี้ในการขณะให้ของเนี่ยมันจะเป็นไปในลักษณะอย่างไรบางคนมีวัตถุสิ่งของมียาอมบ้างมีวัตถุสิ่งของมีเสื้อผ้าหรือมีของใช้มีของกินมีของเคี้ยวมีน้าปา น, นะก็แบ่งปัน ถามว่าการมีการสละมีการแบ่งปันทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นศีลไ้ยเป็นมันเป็นทานกุศลไ้ยเป็นเอาเป็นศีลยังไงก็เป็นข้อปฏิบัติที่พึงปฏิบัติต่อกันเห็นั้มเป็นจารีตที่คุ้มปฏิบัติต่อกันทีนี้ในขณะที่ให้เนี่ยมันเป็นไปกับอะไรเนี่ยเออถ้าจะให้ชั้นความรู้สึกที่เป็นไปกับความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนเกิดขึ้นอมานั่งอยู่ที่ห้องได้เห็นพระนาสวด บทเมตตานะอันนั้นคือบทสวดนะแต่การเจริญที่จะเกี่ยวข้องกับการให้ที่เป็นไปกับความรักความปรารถนาดีเนี่ยมันต้องฝึกฝนเจริญจริงๆนะไม่ใช่แค่คำพูดนะเช่นว่าเออเรามีของที่จะให้เพื่อนปฏิบัติทากันด้วยเมตตาเนี่ยก็แปลว่ามีอะไรเนี่ยหนึ่งมันมีตัววัตถุใช่ไหมวัตถุไอ้ตัววัตถุตัวนี้ก็เรียกวัตถุทาน วัตถุธานเหล่านี้ก็ต้องวิจัยวัตถุธานว่าของชิ้นนี้มันเหมาะสมแก่ท่านผู้นี้หรือไม่ยอมรู้ไหมว่านางวิสาขาหมาวาสิกาเนี่ยเวลานางเจริญทานกุศลศีลกุศลแล้วพัฒนาสู่สมาธิกุศลและปัญญากุศลของเธอเนี่ยเธอทำยังไงเธอก็เข้าไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะขอพร8ประการนะไปขอพร8ประการจากพรพุทธเจ้า พอเข้าไปก็บอกข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญดิฉันเนี่ยคือนางวิสาขามหาอุบาสิกาขอพรกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าจะถากตษเลิกให้พรแล้วนางนางก็บอกว่าสิ่งที่คึงขอนั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เจ้าข้าเนี่ยเออพระพุทธเจ้าก็ถามบอกว่าวิสาขาเธอจะขออะไร นางก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยปราถนาถวายผ้าวัสิกะสาดกตลอดชีวิตยอมรู้จักผ้าวัสิกะสาดกไหมผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยยอมเ็าเรียกผ้าวัสิกะสาดกสาหรับให้พระภิกษุนุ่งหม่มในยามฤดูฝนยอมว่าปีหนึ่งมิตรฤดูฝนมีกี่เดือนกี่เดือนเนี่ยเอาใค่ว่าสาม แท่ว่าสี่โอ้ยังไม่เคยนับหรือดูผลเลยมีกี่เดือ น, นแหมพุทธบริษัทยุคนี้หน้าใจหายใจความจริงๆดูผลมีสี่เดือนนะในช่วงภาษาสามเดือนใช่ไหออกภาษาแล้วยังมีผลอยู่มะเอออีกเดือนนึงเดี๋ยวบางคนก็บอกเออออกภาษาเลยหนึ่งเดือนแล้วผลยังตกอยู่เลยอันนี้เ็าเรียกความวิปลิตทางฤดูกาล ยมรู้ไหมความวิปริตทางฤดูกาลทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรทําไมดินฟ้าอากาศจึงแปลบวนทำไมอุตุจึงแปลบวนยมรู้ไหมรู้ไหมเพราะอะไรไม่รู้เ <c oughs> ออเนี่ยดินฟ้าอากาศทั้งหลายจริงๆมันก็เกี่ยวข้องกับเจตนากรรมของสัตว์นี่แหละเห็นไหมแต่ยุคใดสมัยใดเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายมากโดยราคะมากโดยโทสะมากด้วยโมหะเนี่ย ทำกรรมกายยโจริตว จ, จีทสจริตวโนโทสจริตกันมากในยุคนั้นทั้งหลายเนี่ยฝนฟ้าก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาลแปรผันเปลี่ยนไปเรื่อยเกิดลมพายุบ้างเกิดน้ําท่วมบ้างแผ่นดินไหวบ้างเนี่ยนะเกิดโรคหาโรคระบาดบ้างอะไรตามมาเยอะแยะหมดเลยนี่นึกดูถ้าอยากให้อยากให้ดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนแปลงอยากให้ฤ ด, ดูมันเปลี่ยนแปลงอยากให้ฝนฟ้าตกต้องไม่ตามฤดูกาล อยากให้ฝนตกฟ้าถล่มทลายอยากให้แผ่นดินไหวอยากให้ภัยพิบัติเกิดเนี่ยวิธีการก็คือแตกแยกกันเยอะๆแล้วก็กดกันด่ากันปะทุสลายกันแล้วทานี่ใช้กรรมของคนหมู่มากทําไปทําไปแล้วมันก็จะวิบัตินี่แหละแต่ถ้าผู้รู้ทั้งหลายเขาเห็นแล้วเขาเป็นยังไงเขาก็ระวังตัวไม่ทําให้ตนเองเจ็บปวดใช่ไหมเอาละไม่พูดตรงนั้นแหละนี่พูดถึงว่านี่แหละ นาย ว, าาวิสาขาก็ใสเหตุที่มีฤดูฝนนี่แหละขอถวายผ้าอาบน้ำฝนตลอดชีพคำว่าตลอดชีพก็คือว่าตลอดชีวิตของเธอนะถ้ายังมีอยู่ถ้าพระขาดผ้าอาบน้ำฝนดิฉันขอถวายตลอดหรือปรวรณาต่อสง์เลยมีพระเจ้าเป็นบรมุกเลยดิฉันขอถวายกาลทานนี้ อันนี้เขาเรียกว่าให้อะไรเนี่ยให้การท า, านให้ความสมหวังให้ความไม่ผิดหวังใช่ไหมถามว่าผ้าเมื่อมีผ้าในการที่เข้าไปนุ่งในการอาบน้ำส่งน้าเป็นต้นแปลว่าก็ปิดปกปิดความละอายใช่ไหมล่ะเป็นเหตุทำให้คนอื่นทั้งหลายมองแล้วก็ไม่อุจารไม่น่ารังเกียจแล้วก็เป็นเหตุทําให้คนอื่นได้กุศลห ได้กุศลถ้าไปเห็นผ้าไม่มีผ้าอาบน้ําเวลามองไปแล้วเนี่ยยอมจะตําหนีหรือยอมจะชื่นชมตําหนีหอยไงว่ า, ากันตําหนีแล้วคนตําหนีจะได้บุญหรือได้บาปถ้าตําหนีคนมีศีลจะตกนรกหรือไปสวรรค์ <c oughs> ก็ตกนรกแล้วตกลึกด้วยเนี่ยเนี่ยพระฤาษีเนี่ยวนวิสาขาเห็นประโยชน์ตรงนี้แหละนางก็เลยบอกว่าดิฉันขอถวายผ้า วัสสิกาสาดกตลอดชีพเจ้าค้านี่นี่คือฉลาดไหมเป็นทานกุศลหรือเป็นศีลกุศลเอาเป็นทานหรือเป็นศีลเป็นทานกุศลด้วยเป็นศีลกุศลด้วยเป็นข้อวัดที่อุบาสิกาพึงปฏิบัติต่อพระธนทรยัยเออเรามีความคิดแบบพระนาเอ อ, อย่างนางบ้างไหมเคยคิดมะมคิดสักนิดในใจบ้างมีไมไม่มีเลยนะ อาประการต่อมานางไม่ได้ขอพอรแค่นี้นะยังขอต่อไปอีกว่าดิฉันขอถวายคมิทกพัทตลอดชีพตลอดชีวิตเจ้าข้าเนี่ยยอมรู้จักคําว่าคมิทกพัทไหมถวายพัทเนี่ยคืออาหารถวายพัทอาหารเนี่ยแกภิกษุที่รีบเร่งจกเดินทางกําลังจะเดินทางเนี่ย ฉะนั้นพระรูปไหนจะเดินทางสำเนินรูปไหนจะรีบเดินทางเนี่ยจากสาวถีไปหนะ้าที่อื่นอย่างเร่งด่วนอย่างรีบด่วนหรืออย่างที่จะต้องเดินทางเนี่ยนางรับอาสาในการถวายอาหารตลอดชีวิตของนางเอาเธอนางเห็นประโยชน์อะไรจรึงถวายแบบนั้นเห็นประโยชน์อะไรถามว่าพระที่จะเดินทางเนี่ยถ้าไปมัวบินทบาทกว่าจะได้อาหารถามว่าบางทีทันเกวียนไหม ทันเรือทันรถไหมบางทีไปไม่ไปเพื่อจะถึงจุดหมายปลายทางไม่ทนันมืดค่ำซะก่อนเป็นอันตรายต่อท่านไหมเป็นอันตรายสมัยก่อนนี่โอ้โหการเดินทางลำบากใช่ไหมนี่นางเห็นประโยชน์ตรงนี้ถามว่านางเป็นคนฉลาดไหมนี่เป็นกาลทานไหมเป็นทานที่เหมาะสมแก่การถูกต้องตามเวลาเออพวกเราเคยคิดได้บ้างไหมเคยคิดข้อนี้ได้ไหม ไม่เคยคิดเลยต่อไปจะฝึกคิดไหมฝึกหรือไม่ฝึกเนี่ยตรงเนี้ยในเมื่อฝึกที่จะคิดในการที่จะทำการละทานอย่างมุ่งมั่นทำไมตอนนี้เป็นทานกุศลแล้วเป็นศีลกุศลเป็นทานหรือเป็นศีลเป็นทั้งทานกุศลและมีศีกลกุศลกํากับด้วยนางต้องการจะปรับะไรเนี่ยตกแต่งตกแต่ง ทำกุศลศีลของตนเองให้ถึงพร้อมทุกด้านทำทานกุศลของตนเองให้ถึงพร้อมทุกด้านให้เต็มเปี่ยมทุกรูปแบบนี่นี่คือคนเขาเดินทานเดินศีลเป็นนี่คือการให้ความสมหวังถามว่าพระท่านได้ไปทันเควียนทันรถทันเรือได้ไปทันเวลากําหนดและสถานที่กําหนดแปลว่าทันให้ทำให้ท้าท่านสมหวังหรือผิดหวัง สมหวังหรือผิดหวังคนสร้างเหตุของความสมหวังก็จะทำให้ตนเองนั้นสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาคนที่สร้างเหตุของความผิดหวังตนเองก็จะได้ความผิดหวังตามมาเอาละเกิดมาแล้วอยากจะสมหวังไหมอย่าแปลกใจนะตั้งแต่เด็กเล็กมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่รู้กี่ขวบกันแล้วเนี่ยถามว่าระหว่างสมหวังกับผิดหวังเนี่ยอะไรมากกว่ากันอะไรมากกว่ากัน ถามว่าเราเคยหวังอยากจะพ้นทุกข์มากี่อัตภาพแล้วปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เออปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นมหันตทุกข์ถามว่าเราปรารถนาพระนิพพานจัดโลกทั้งหลายปรารถนาพระนิพพาน คือการพ้นจากวัฏจทุกข์แล้วเมื่อไม่ได้พระนิพพานเลยประสบอะไรประสบมหันตทุกข์ไหมประสบชาติทุกข์คือความเกิดไงชรลาทุกข์คือความแก่พยาทิทุกข์คือความเจ็บปวดมรณะทุกข์คือความตายประสบสโสกทุกข์โสกปริเทวะทุกขโทมนะเสวยปายาสทุกข์เป็นตน้นใช่ไหม ความโศกความล่ํลายลลําพันไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจมามาจากความสมหวังหรือผิดหวังก็ผิดหวังไงเนี่ยก็มานั่งสลอนกันอยู่นี่แหละอยู่แล้วนี่พวกเรานี่กลุ่มคนสมหวังหรือผิดหวังถามจริงกลุ่มสมหวังหรือผิดหวังผิดหวังกลุ่มผิดหวังใช่ไหมเนี่ยจึงประสบทุก แต่ทําไมนะ้ตอนนี้นาะงนางวิสาขาตอนนี้เธอสมหวังหรือผิดหวังสมหวังหรือผิดหวังเธอสมหวังเพราะเธอให้อะไรให้การลทานการลศีลเนี่ยไหมเป็นทั้งทานกุศลและศีลกุศลเป็นข้อวัดที่บริษัทพุทธบริษัทแล้วบาสิกาเป็นต้นอุบาสกเป็นต้นพึงปฏิบัติต่อพระดานะตรัยแล้วถามว่าเธอทําแค่นี้ไหมไม่เลยเธอก็ไปกราบทูลพระเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดิฉันขออะไร ขอถวายอาคารตุกกาพัทตลอดชีพเจ้าข้าเนี่ยยอมรู้จักคําว่าอาคารตุกกาพัทไหมแปลว่าอะไรเนี่ยไม่รู้อีกอยากให้พระบอกไหมยอยากให้พระบอกตั้งใจฟังนะอาคารตุกกาพัทเนี่ยก็เรียกพัทสำหรับแขกที่แขกที่มาหรือพระที่เป็นแขกจากเมืองอื่นมาสู่สาวัตถีย่างนี้เป็นต้นอา้าวอย่างเนี้ย ถือว่าพระเป็นแขกมาที่ยุพูดไหมเออเราเคยคิดถึงอาคารดกะพัดไหมเออพัดสําหรับผู้มาใหม่ถามว่าพระที่มาใหม่ที่ยุพูธเนี่ยถ้าจะเดินออกไปบินธบาตข้างนอกเนี่ยท่านจะรู้ไหมว่าบ้านไหนมีศรัทธาบ้านไหนไม่มีศรัทธาท่านจะทราบหรือไม่ทราบทราบหรือไม่ทราบแม้ขนาดยอมอยู่ยุพูธกันตั้งยี่สบสปีบางคนยังไม่รู้เลยว่าบ้านไหนใส่บาตรบ้างไม่ใส่าบาตรบ้างใช่ไหม ยิ่งพระเรื่องมาใหม่เนี่ยไม่มีทางจะรู้ได้เลยเพลเพิ่ที่เดินไปเนี่ยกลับมาบาดเปล่านะใช่ไหมนี่คือความคือปัญหาของพระที่เป็นอาคารตุกกามาใหม่ในเมืองนั้นในถิ่นนั้นในหมู่บ้านนั้นในอำเภอนั้นในเขตนั้นนี่เป็นเป็นปัญหาเอามาว่ากรุงเทพใหม่ๆเนี่ยใช่ไหมมาบินบาดไม่ได้กินเลยอตั้งมาเข้ากรุงเทพใหม่ๆ เดินเดินไปเนี่ยโยมก็หันหลังหนีนะเพราะเขาก็จะมีมีมีประจํานะในกรุงเทพเขาจะมีแปลกๆอย่างนี้นะเขาจะมีว่าบ้านไหนเขาจะมี้าประจําของเขาของเขาเนี่ยแต่ก่อนมามาอยู่แถวเขตทั้งนี้ก็เคยมาบินนะไม่ได้นู่นแต่ก็ไปอยู่แถวใกล้ๆสนามหลวงแต่ก่อนป่วยๆก็ไปพักอยู่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา ขลาเวัดประเชตุพนวิมลอะไรนะมังคลาร า, า ม, มเอามาติดเตกคําเก่าสมัยก่อนเรียกว่าวิมลมังคลาวาส <c oughs> มาเรียกวัดโพนั่นแหละเคยมาอยู่เดินเอ๊ะเดินออกมาเราจะไปทั้งไหนนี่เดินออกมานิดหน่อยก็จะถึงวัดพระแก้วเอามาก็วนนั่นแหละวนในที่วัดพระแก้วนั่นแหละ วันไปรอบหนึ่งก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยนะมียอมลงมาจากรถเมเอาน้ำขวดใหญ่ๆมาให้หนึ่งขวดอย่างงี้ตอนโอ้โหนี่เป็นนีงไม่ง่ายบินาบาทในกรุงเทพไม่ง่ายแต่ตอนนี้เริ่มรู้แหล่งแล้วก็บอกพระเนยนบอกว่าถ้าเราไม่มียมประจำตรงไหนเป็นตลาดไปตรงนั้นแหละเข้าไปในตลาดกันแล้วกัน แต่ต้องระวังอย่าเข้าไปในตลาดสดนะึตลาดสดนี่ไม่ค่อยดีเลยแล้วบางแห่งไปโยมในกรุงเทพเขาก็เดินไม่ค่อยหลบพระไม่เหมือนโยมบ้านนอกโยมบ้านนอกนี่โยมต่างจังหวัดเห็นพระก็จะหลีกหลบแล้วก็นั่งลงนะโยมในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหถ้าเราหลบตาไม่ดีเนี่ยเขาจะชนเราแล้วค่อยนะนี่โยมในกรุงเทพคืออยู่ในกรุงเทพเนี่ย พระเขาเห็นโยมโยมเห็นพระนี่รู้สึกว่าเหมือนเพื่อนกันไปแล้วบางทีบางทีเขาทักกันแบบปแปลกเหมือนกันนะโอ้โหเนี่ยก็เจอหน้ากันก็ทักกันเหมือนเพื่อนทักกันนะเอาว่าไงา่หลพี่ไม่ได้เจอซะนานแบบนั้นนะพระเขบอกเออแล้วโยมหายไปไหนมาเล่าอะไรเงี้ยเออสมัยกลางพุทธกาลก็ไม่ได้ทักกันแบบนี้โยมสมัยกลางพุทธกาลเขาเห็นโนก็จะเรียกพระคุณเจ้าอะไรเงี้ย แล้วก็มีการปนมมือสอบถามเคารพกค้าดนอกันนะแต่ทุกวันนี้โอ้โหรู้สึกเหมือนเพื่อนเจอเพื่อนยังไงก็ไม่รู้บางทีนยยมเวลาเจอพระโยมทักยังไงก็ทักอย่างคนมีศีลทักนี่แหละนจริงมีประโยชน์ถูกกาละแล้วก็พูดด้วยเมตตาเนี่ยอคันตุกาเนี่ยนางเห็นประโยชน์ตรงนี้ไง นังเห็นประโยชน์ว่าพระมาใหม่เนี่ยไม่ชำนาญทางการบินดาบาด ท, ท่านก็จะได้อาหารที่ไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ได้อาหารท่านก็จะอดเมื่อท่านอดท่านไม่ได้อาหารเนี่ยการจเจริญในศีลสมาธิของปัญญาท่านก็มีปัญหาท่านก็จะเดือดร้อนท่านก็จะผอมแห้งปัญหาตามมาเยอะนั่งเห็นประโยชน์ตรงนี้แหละจึงถวายอาคารตุกตาพัดตลอดชีพจนกว่าพระจะชำนาญเราเคยตั้งแบบนี้ไว้ไหม ไม่เคยต่างอีกอ้าวต่อไปดิฉันขอพอรอีกข้อหนึ่งก็คือจะขอถวายคีลานพัทตลอดชีพยอมรู้จะคำว่าคีลานพัมัหมพัทอาหารสำหรับพระป่วยโงั้นใช้ภาษาไทยไทยเราดีกว่าเนะาะพระป่วยถามว่าทำไมนางจึง ถวายอาหารแก่ภาพป่วยภาพป่วยเนี่ยเมื่อได้อาหารไม่เหมาะสมแก่โรคท่านก็ถึงกาละมอรณาภาพเร็วเอาคนเป็นโรคความดันสูงโรคหิตสูงถ้าให้อาหารเผ็ดอาหารเค็มเนี่ยโรคจะหายเร็วหรือจะยิ่งกำเริบคนเป็นโรคไตเนี่ยอาหารเผ็ดอาหารเค็มเนี่ยเป็นต้นน่ยจะโรค ก, ก็จะกำเริบหรือจะหาย โอ้อีกเยอะหมดคนเป็นโรคเบาหวานคนเป็นโรคตับคนเป็นโรคปอดจะไหมอาหารต้องเหมาะสมทั้งนั้นแหละขึ้นนาวิสาขาวอกดิฉันเป็นคนฉลาดในการจัดพัดอะหรืออาหารเนี่ยให้เหมาะสมแก่โกรคเออเห็นไหมว่าคนที่เก่งการบ้านการเรือนเนี่ยไม่ใช่เก่งธรรมดาเนะความฉลาดในความในทานกุศลฉลาดในศีลกุศลของนางเนี่ย เป็นคนที่พิจารณาวิจัยแยกแยะยอมเวลายอมให้ทานเนี่ยยอมเอาอาหารที่ยมชอบหรือคำนวณว่าเป็นอาหารที่พระท่านชอบเวลาจะยอมถวายถามจริงๆยอมชอบอาหารอะไรยอมก็เอาอาหารนั้นไปถวายหรือว่ายอมคำนวณ ว, ว่าพระแก่พระหนุ่มนะ พระที่มีโรคหรือพระไม่มีโรคพระมีโรคนี้ต้องกินอาหารอย่างนี้ยยมวิจัยตัววัตถุทานแล้วก็ไปวิจัยบุคคลผู้รับหรือเปล่าหรือวิจัยเอาตามใจฉันเนี่ยยอมจะให้ทานเพื่อให้คนรับเขาสมหวังหรือผิดหวังบางคนหนักกว่า น, นั้นอีกนะสามีชอบกินแกงไก่ แต่สามีตายไปแล้วเออเจอพระก็นี่แหละแล้วแกงไก่เอาไปถวายพระคิดว่าพระกินแกงไก่แล้วมันจะวิ่งไปถึงสามีที่ตายไปแล้วหรือพ่อแม่ที่ตายไปแล้วยอมเคยคิดแบบนี้ไหมคิดไม่คิดคิดผิดหรือถูกรู้ว่าผิดแล้วทำทำไมนี่แหละคือวิธีการของพุทธบริษัทในยุคนี้ ถามว่ายอมคิดว่าถ้ายอมเป็นพระหรือมาเป็นนักบวชแล้วรู้เรื่องพระธรรมวินัยรู้คําสอนแล้วเห็นพุทธบริษัทให้ทานแบบนี้แล้วยอมจะยอมจะคิดยังไงยอมจะสมหวังหรือผิดหวังยอมจะดีใจหรือเศร้าใจ <c oughs> ทุกวันนี้พระเป็นโรคกเป็นแถวหมดอยอมเป็นหมด นี่เอามารู้จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์ย้ายไปจากโรงพยาบาลออในศูนย์มะเร็งแห่งชาติแล้วไปเป็นผูน้อำนวยการก็ถามแกบอกว่าพระป่วยเพราะอาหารอ้าวพระป่วยเพราะอาหารเพอะไรเพราะพุทธบริษัทเนี่ยให้อาหารแล้วไม่รู้จัก ว่าอาหารนี้เหมาะสมแก่โรคมือไม่เหมาะไม่ถามท่านเลยอ่ะเอาอาหารที่ฉันชอบเขาได้เช่นบางคนชอบช็อกโกแลตก็ใส่แต่ตัวนี้แหละลมาเนี่ยอายุก็ามากก็ต้องรับอาหารแบบนี้เขาแล้วบางทีมันนั่งจ้องด้วยแปลว่าอะไรเนี่ยนั่งจ้องเนี่ยค่อยค่อยดูพระจะกินของฉันไหม ถ้าไม่กินโอ้โหเนี่ยดิฉันซื้อมาเนี่ยแพงเป็นของนอกเราเกินดดดยิโอ้โหยุ่งเลยใช่ไหมสรุปแล้วก็เราเป็นคนฉลาดในคีลานพัทไหมพัดสำหรับผ้าป่วยฉลาดหรือไม่ฉลาดต่อไปจะทำยังไงดี ถ้าพระท่านได้อาหารที่ไม่เหมาะสมท่านจะถึงการลมรณภาพเร็วแล้วเมื่อท่านมรณภาพเร็วแทนที่จะได้ฝึกตนเองในการให้ถึงพร้อมด้วยกุศลศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเจริญานาบานาสติเป็นต้นที่จะทําให้ตนเองนั้นน่ยได้ฌานได้สมาบัตตต่อจากฌานสมาบัตตเจริญวิปัสสนาญาณแทงตลอดสัจจสีบรุอริยมรรคอริยผลท่านจะได้ไหมผู้ป่วยไม่ควรบรรลุธรรมใช่ไหม อพอกินเข้าไปความดันพุ่งปี๊ดขึ้นไปเนี่ยถามว่าท่านจะมากำหนดอะไรได้ไหมเนี่ยไม่ได้อีกแล้วนี่นางเห็นประโยชน์ตรงนี้แหละนางยิงถวายกีฬานภัทรและไม่แค่แค่นั้นนางยิงขอว่าขอพรยมวุิเจ้วาว่าขอถวายกีฬาณอุปถากพัทก็คือถวายอาหารสำหรับพระที่อุปถักหรือดูแลพระป่วยตลอดชีพเออพระเนี่ย เวลาท่านอยู่ด้วยกันเนี่ยท่านจะมีศีรสมัญญาตาที่ติสามัญญาตาสาธารภคีเป็นต้นเห็นไหมเออเมื่อท่านอยู่ด้วยกันเนี่ยท่านไม่มีพ่อมีแม่เพราะท่านเป็นสัมมนเชื่อสายศักยบุตรพุทธชิโนโอรสท่านตัดทางสังคมท่านตัดสถานภาพอธพะเป็นอย่างนั้นนะตัดสถานภาพเดิมหมดแล้ว เป็นผู้ออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วถามว่าท่านต้องดูแลกันเองไหมต้องดูแลกันเองทีนี้พระที่องค์หนึ่งป่วยองค์หนึ่งต้องดูแลองค์องค์หนึ่งไม่สามารถเดินไปบินทบาทได้เพราะป่วยแต่องค์ที่เปต้องดูแลเนี่ยก็ต้องไปบินทบาตต้องบินทบาตเมื่อบินทบาทมาเนี่ยก็จะต้องหาอาหารที่เหมาะสมแก่โรคแก่พระด้วย ซึ่งมันจะไปเรียกร้องก็ไม่ได้ใช่ไหมก็แล้วแต่บุญกันแล้วตอนนี้จําได้ไหมที่ตอนที่พระสารีบุตรท่านป่วยเคยฟังไหมพระสารีบุตรป่วยไม่สามารถไปบินบาตรได้พโมกขลานะเป็นสาธรรมิกก็ถามว่าพระเทระโรคที่ท่านเป็นอยู่เนียมันจะหายได้ด้วยอะไร เออจะหายได้ด้วยอะไรภาษาลีบบทก็บอกเออได้ข้าวยาคูอ่ะข้าวยาคูเนี่ยปัจจุบันไม่มีแล้วไม่ค่อยมีทำแล้วมีบางแห่งเขาทำนะของเราก็ไปถ้าบอกข้าวยาคูเราก็นึกว่ายาคูอ่ะ <c oughs> คนละเรื่องเลยเนี้ยเราก็ไปนึกตัวนี้นแหละใช่ไหมเราก็ไปนึกเอาละอันเนี้ยได้ข้าวประเภทนี้ตอนสมัยป่วยกับแม่ โยมแม่ทำให้แล้วก็หายปวดท้องทานไปแล้วระ ง, งับโรคภายในท่านได้พระโมคคัลลานะก็บอกถ้าเป็นบุญของพระเถระก็คงจะหาอาหารได้เนี่ยบอกเนี่นะถ้ากำลังกุศลของท่านดีของท่านพระเถระดีจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้ผมไปบินบาตไม่ยากได้แน่นอนจากการสนทนากันของผู้มีบุญทั้งคู่เนี่ยเออเทวดาได้ยิน โอ้โหเทวดาวิ่งไปแล้วเทวดาวิ่งอ่ะวิ่งไปเข้าสิงชาว บ, บ้านรู้ว่าเส้นทางเนี้ยไอ้ที่ก็จะผีสิงไงยอมทางเส้นเนี้ยพระโมคคลลานะจะมาบินธบาตโอโ้เข้าสิงใหญ่เลยบอกพรุ่งนี้จะมีพระเถระผู้ทรงคุณนะมาบินธบาตแต่อันนี้ต้องใส่อาหารต้าไม่ใส่เนะี่ยเราจะจัดการเลยไปขู่เขาด้วยดีไหมถามเทวดาทําถูกไหมเนี่ย ถูกไม่ถูกควรตําหนีเทวดาหรือตําหนีใครหรือควรตําหนีพระควรตําหนีเทวดาหรือตําหนีใครพอบอกเทวดากลัวก็ไปแถวเลยนี่ใช่ไหมก็เนี่ยเทวดาก็ไปทําแบบนี้แหละต่อมาโอ้ยเขาบอกกันแล้วไปบินดาบโอ้คนก็มาใส่บาดและอาหารอย่างนั้นด้วยโอ้พอได้อาหารมาเบสเสร็จแล้วพระเทล่าท่านก็ไม่ได้กําหนดนะ ไม่ได้ไม่ได้กําหนดด้วยญาณปัญญาด้วยญาณของท่านเพราะจริงๆระดับป้าอาหารนี่ท่านรู้ไหมแต่ท่านก็ไม่ได้ไดใช้ตลอดเวลาก็มีเลยท่านก็กลับมาก็เอาอันนี้อาหารเนี่ยมาถวายพระเทวราชภาษาลิบุตรภาษาริบุต ร, รพอรับอาหารมาเนี่ยพิจารณาเอได้มาอย่างไงเนี่ยเห็นไหมความเป็นผู้เคารพในศีลเนี่ยผู้ที่มีศีลมีกัลยาณธรรมที่งดงามเนี่ย จะกินอาหารเนี่ยต้องพิจารณาวิจัยว่าถ้าอาหารนั้นได้มาโดยมิจฉาอาชีวะด้วยการไปบงังคับไปขู่เข็นไปหลอกหรือไปพูดได้มาไปโอ้โลมปฏิโลมไปใช้เล่เททุบายมาเนี่ยท่านจะกินไหมกินไม่กินโอยอย่าว่าแต่่างนั้นเลยนะพ้าที่ไปบินธบานนิยมนะที่ก็ฝึกฝนกันจริงๆเนี่ยนะเดินเดินไปสมมุติว่า ย, ยมเนี่ยพระรูปนี้ท่านมีอัตยาใสาชอบ เอชอบข้าวเหนียวปิ้งสมมตุตนะิเออไม่ใช่ไอไก่ปิ้งไก่ที่กับข้าวเหนียวเนี่ยสมมุติไปชอบอย่างนี้สมมุตินะไม่ใช่อามาชอบนะเพราะอมาไม่ได้ชอบนะเนี่ยยกตัวอย่างตัวเนี้ยอสมมุติอย่างเงี้ยเกิดเดินเดินไปเนี่ยท่านลืมขาดสติเพราะขาดสติพวกก็เอาเข้าว เ, เนีีย่ยมีข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยอะไรมาใสา่แล้วท่านลืมกําหนดแล้วเกิด น้ำลายสอขึ้นมามันชอบโอ้โหเนี่ยถามว่าท่านจะกินแม่หาเนี่ยท่านจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหเราลับมาด้วยจิตที่ลามกแล้วท่านจะเปิดเผยตัวเองนะพอกลับไปไปเจอพระรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยท่านจะไปสารภาพเลยนะท่านบอกท่านครับโปรดรับทานกุศลผมหน่อยครับเพราะทานกุศลชิ้นนี้วัตถุ ก, ก้อนนี้อาหารมื้อเนี่ย ผมเนี่ยรับมาได้จิตที่ลามกอาหารนี้จึงไม่สมควรเงีผมผมขอสละผมขอเจริญทานกุศลจากของที่อยากที่ชอบเนี่ยคือข้าพเจ้าต้องการเจริญปิยะทานังอเรารักด้วยตัณหาเราหวงด้วยตัณหาฉะนั้นจะสละเพื่อทําลายอะไรเอาทำลายอะไรดีทําลายตัณหาคือการติดในอาหารนั้นยอมกล้าปฏิบัติแบบนี้ไหมเล่า กล้าไม่กล้าพอเกิดจะกินอาหารพวกนี้เช้าเนี่ยเกิดไปเจออาหารที่ชอบมากพอตักมารู้สึกโอ้โหมันชอบเนี่ยไปสกิดเพื่อนที่ปฏิบัติทำด้วยกันบอกว่าคุณครับคุณข้าเนี่ยคุณช่วยรับอาหารถ้วยนี้จานนี้หน่อยได้ไหมฉันรับมาด้วยจิตที่ไม่สะอาดจิตที่สกรปรกกล้าไม่กล้า พอสละสิ่งที่ชอบที่ไปก็ไปเอาของที่ชอบมากกว่าเดิมได้ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะีก็คือนี่เห็นไหมว่าพอพระเถระท่านพิจารณาท่านรู้ทันดีโอ้เนี่ยเทวดาไปบังคับเข้ามาท่านก็เลยบอกแก่พระโมคคัลลานะบอกว่าอาหารนี้ไม่สมควรแก่ท่านเพราะได้มาด้วยไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยท่านฉั้นไหมท่านสละเลย จากอานิสงส์กุศลศีลที่ท่านรักษาอย่างอย่างนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยนั่นแหละพอสละอาหารไปเนี่ยโรคปวดท้องท่านหายทันทีเลยยอมลองดูไหมศีลเนี่ยมีผลไหมมีผลมากมีอานิสงส์อย่างนี้แหละเอาเมื่อกี้พูดเรื่องกีฬาเออกีฬาณนะอุปถากรจำไหมพระที่ไปเป็นพระอุปถากเนะี่ย ไหนจะต้องไปบินธบาดเพื่อส่วนของตนเองและส่วนของพระป่วยเนี่ยเวลาก็จะไม่ทันกำหนดพระกินอาหารไม่ทันกำหนดก็จะถึงการลมรณาภาพเธอเห็นประโยชน์ตรงนี้จึงถวายแก่พระที่ดูแลพระป่วยด้วยตลอดชีพและอย่างหนึ่งเธอก็ไปขออย่าพระเจ้าบอกนี่ฉันขอถวายข้าวยาครูตลอดชีพนี่ เป็นอาหารที่เลิศมากยอมอยากได้บุญเยอะๆลองไปฝึกทำกันดูนะข้าวยาคูทํำยังไงไปหาข้อมูลแล้วทําอําเป็นไงบอก1ข้าวยาคูเนี่ยจะทําให้อายุยืนอันนี้นะบริโภคไปทําให้อายุยืน 2. ทําให้ผิวพรรณงามผิวผิวพรรณเปล่งปลั่งสามทให้อะไรกำลังร่างกายแข็งแรง ประการที่สี่ทำให้ได้ความสุขคือความสุขเกิดจากเบากายเบาจิตนี่นะประการที่5ทําให้เกิดปัญญาได้ง่ายเพราะเมื่ อ, อาาเพื่อร่างกายคล่องแคล่วเนี่ยจะคิดอะไรออกได้ดีไหมปัญญาเกิดได้สะดวกและข้าวยาคูเนี่ยไปขับลมในลใําไส้เมื่อบริโภคเข้าไปเนี่ยลมในลใําไส้เหมือนที่ท่านภาษาริบุตรเป็นที่อาการปวดท้องจุกเสียดแน่นตามลำแท้องไหลจะจะขับจะไปปรับ ทำให้ระบายดีทำให้ลมทิศค้างตามลำไส้ทั้งหลายออกได้ดีประการต่อมาคือย่อยอาหารที่ตกค้างอาหารที่ตกค้างจากการไม่ย่อยเพราะไฟธาตุไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้ส่วนายาขยาคูทั้งหลายจะไปช่วยธาตุไฟไปส่งเสริมธาตุไฟเขาเรียกปาจากะเตโชไม่ยอมไม่รู้มั้งเนี่ยเตโชคือไฟธาตุที่เกิดจากกรรม เกิดจากําลังกรรมนะเอิมถามว่าคนที่อายุมากเนี่ยไฟธาตุดีหรือไม่ดีดีหรือไม่ดีไฟธาตุที่เผาอาหารเนี่ยคอยไปย่อยอาหารเนี่ยจะอ่อนตัวลงหรือว่าแข็งแรงเท่าเดิมจะไม่ค่อยมีกําลังแล้วอาหารที่บริโภคเข้าไปจะไม่ค่อยย่อยแล้วนี่คือปัญหา แต่ถ้าได้ดื่มอ่าไอ้อข้าวยาคูเนี่ยจะไปเพิ่มเดี๋ยนี้ทำให้ไฟธาตุดีน่าสนใจไหมและข้าวยาคูเนี่ยยังช่วยระบบการขับถ่ายช่วยระบบการขับถ่ายด้วยแล้วก็ป้องกันโครคภัยไข้เจ็บเป็นต้นด้วยนี่อันดีสงของการถวายข้าวยาคูนางเห็นประโยชน์ตรงนี้แหละนางจึงขอถวายข้าวยาคูตลอดชีพ ก็คิดดูในสาวถีมีพระเยอะไหมในยุคนั้นพ้าเยอะหรือไม่เยอะพระเนี่ยเป็นหลักร้านขึ้นไปยิ่งใหญ่ไหมกิจกรรมทานกนุศลของเธอยิ่งใหญ่มากดอทีอยังยังนางไปขอพอรจากพระพุทธเจ้าอีกข้อหนึ่งขอถวายผ้าอุทกาวสิกาสาดก คือผ้าอะไรผ้าสาหรับผัดอาบน้ำสาหรับนางภิกษุณีนางภิกษุณีเวลาไปอาบน้ำในคลองในบึงทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยถ้าไปแก้ผ้าอาบน้ำดูงามไหมจะดูโตดูถูกดูแคลนไหมนางก็เห็นประโยชน์เห็นานิสงเหล่านี้ทำให้นางภิกษุณีทั้งหลายไม่อับอายไม่ขายหน้า แล้วทำให้คนที่เห็นทั้งหลายไม่พากันตำหนิไม่ได้รับบาปได้รับกรรมไ่ด้รับโทษเป็นต้นเออตรงนี้แหละถามว่าเธอถาวายทานทุกจุดทุกมุมเมืองเนี่ยเธอได้อะไรไปดูนะทานกุศลได้ไหมเป็นศีลกุศลด้วยไหมเป็นการปฏิบัติข้อวัดที่งดงามเหลือเกินเธอบอกว่า เมื่อออกพรรษาจะมีภิกษุจากแดนไกลมาที่สาวัตถีก็จะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระเหล่านั้นก็จะบอกรายงานกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพื่อนสากดิ์มิกของข้าพเจ้าข้าพระองค์เนี่ยได้ถึงการม ร, รณาภาพแล้วองค์นั้นมรณาภาพองค์นี้มรณาภาพก็จะมากราบถูนพระเจ้า อยากจะถามพระพุทธเจ้าว่าเพื่อนที่ประพฤติพรหมจรรย์ที่เป็นพระภิกษุเนี่ยท่านได้คุณธรรมอะไรให้พระพุทธเจ้าพยากรณ์ให้พระเจ้าก็บอกว่าดูก่อนภิกษุรูปที่เป็นสาวธรรมิกของเธอเป็นพระโสดาบันแล้วแทงตลอดสัจจะสีมีอันไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาปิดอบายภูมิได้แล้วไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานมีการที่จะต้องได้ปริิญพานใน ข้างหน้าแปลว่าหมดหมดห่วงแล้วสตรีองค์นั้นเป็นพระสกาทาคาถ้าจะกลับมาในกาบภูมิก็เพียงครั้งเดียวนอกนั้นก็จะไปปรินิพานในพรมโลกเป็นต้นหรือในใ น, ในเทวภูมิเป็นต้นอีกส่วนองค์หนึ่งเป็นพระนาคามีไม่กลับมาเกิดในกามาภูมิจะเกิดในรูปภูมิหรือในสุทธาวาสภูมิแล้วก็จะไปปรินิพานในภพเหล่านั้น ส่วนท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์หมดกระแสงการเวียนว่ายตายเกิดและปริญญานิพพานแล้วเป็นต้นเห็น ไ, ไหมพอพระเจ้าพยากรณ์อย่างนี้นางก็จะเข้าไปถามทันทีไปถามภิกษุรูปนั้นที่มารายงานพระเจ้าข้าแต่พระคุณเจ้าภิกษุรูปที่ท่านไปที่พระเจ้าพยากรณ์เนี่ยว่าเป็นพระโสดาบันก็ดีเป็นพระสกาทาคาก็ดีเป็นพระนาคาก็ดีเป็นพระหันก็ดีเคยมาสาวถีไหม ถ้าพระบอกเคยมาโยมเนี่ยถามว่าเธอจะปลื้มใจไหมเธอก็เกิดปลาโมดแช่มชื่นเบิกบานว่าเป็นลาภของเราแล้วเนอเราได้ดีแล้วเนอเราได้อุปถาคด้วยทานกุศลด้วยศีลกุศลได้ดูแลได้ทําข้อว่าเต้อุปถากพระสงองค์พระเจ้าเป็นบุญญาลาภของเราเนอเราได้ดีแล้วเนอทานกุศลของเราบริสุทธิ์เนาะศีลกุศลของเราบริสุทธิ์เนอ ก็ปลาโมดเกิดขึ้นฉํำชื่นใจเกิดขึ้นก็เกิดปีติจิตก็เปิดกว้างขึ้นขนลุกชูชันและสภาพจิตใจของเธอก็จะสงบละเอียดอ่อนแล้วสุขสมมนัตก็ตั้งขึ้นและสมาธิก็เกิดอินทร์ภาวนาคือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเกิดภระภาวนาศรัทธาภระวิริยภาระสมาธิ สติพละสมาธิพละปัญญาพละสกำลังของภาวนาก็จะเกิดขึ้นโพชงภาวนาก็จะไหลในกระแสชีวิตของนางอย่างโลดแล่นปราโมดปีติปัสสติสุขสมาธิญาณปัญญาก็เกิดขึ้นเธอก็เดินเข้าสู่สมาธิที่เธอได้เดินอยากอะไรเนี่ยจารคานุสติเข้าสู่สีลานุสติละลึกถึงทาละลึกถึงศีลแล้วกัรละลึกถึงกลับเข้าสู่อาณาปนสติ เข้าสู่พระมิหารเป็นต้นเน่ยเข้าสมาธิต่อจากสมาธิเดินวิปาาัสนาญาณไล่ไปตามลำดับเข้าพระสมาบัติที่นางได้พระนางเป็นพระโสดาบันเนี่ยเข้าพระสมาบัติเออบอิมอยู่ในพระสมาบัติหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสาชั่วโมงออกมาสุขมากนี่มาจากอะไรเนี่ย มาจากทานไหมมาจากศีลไหมแล้วก็มาจากสมาธิภาวนาใช่ไหมแล้วก็โลดแล่นกันสู่ปัญญาภาวนาเอาละพวกเราควรทําแบบนี้ไหมควรไม่ควรแล้วเคยทําไหมถามจริงเคยให้ทานแล้วเอิบอิ่มปลาปลื้มรักษาศีลแล้วเอิบอิ่มปลาปลื้มปลาโมดน้ําตาไหลเคยไหม เคยแต่น้ำตาไหลเพราะโดนว่าแต่ไม่เคยน้ำตาไหลเพราะปฏิบัติธรรมใช่ไหมมีแต่น้ำมีแต่น้าตาร้อนไม่เคยมีน้ำตาเย็นเกิดขึ้นเลยใช่ไหมระหว่างน้ำตาร้อนกับน้ำตาเย็นอะไรอะไรออกมากที่สุดในตาสองข้างเนี่ยตาร้อนหรือตาเย็นตาร้อนมันเกิดจากราคะความกำหนัดโทสะความโกรธโมหะความหลงโกรธร้องไห้ได้ไหม นี่มันร้อนเพ้อก็ร้องไห้ได้เจ็บปวดก็ร้องไห้ได้เคยไหมละลึกถึงทานกุศลและปีติน้ำตาไหลละเลึกถึงคุณกุ้เจ้าปีติน้ำลาน้ำตาไหลเอิบอิ่มละลึกถึงศีลกุศลฝึกสมาธิเจริญอนาณาปณะเป็นต้นจิตสงบผ่องแผ้วเอี่ยมองตั้งมั่นเดินปัญญายานขึ้นสุวิปสนาญาณได้ เออเคยทำแบบนี้ไหมล่ะเหลือสาสิบนาทีหมดเวลาแล้วเออตรงนี้ต้องการอยากให้เราทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจเริ่มเป็ดหรือยังว่าการระลึกสาคัญหรือไม่สาคัญให้ทานต้องเอามาระลึกไหมระลึกหรือไม่ระลึกถ้าไม่ระลึกจะเป็นการเจริญทานถูกหรือผิด ถูกไม่เต็มรูปแบบถูกนิดๆเหมือนรักษาศีลสมาทานเนี่ยได้นิดๆนิดๆได้พอเป็นยากระใสรู้จักยากระใสไหม <c oughs> ได้นิดเดียวไม่มีประโยชน์นั้นต้องให้ได้ต่อเนื่องจริงๆนี่เอาตัวอย่างมให้ดูแล้วนะสำหรับบคุคคลต้องการอยากเจริญในทานในศีลแล้วก็ขึ้นสูน่ภาวนา อา้าอยู่ที่พวกเราแล้วถ้าไม่ทำอย่างนี้ถามว่ากุศลจะเดินได้เป็นตามระบบเป็นตามรูปแบบได้จริงไหมจริงไหมจริงอา้าวถ้าไม่ทำอย่างนางวิสาขาทำเนีมม่ยถาเชื่อว่ากุศลจะเดินได้อย่างต่อเนื่องไหมไม่ต่อเนื่องไปนิดเดียวก็หกลม้มไปนิดเดียวก็หกลม้มอา้าลองระเลึกถึงทานกุศลที่เคยให้สิมันมีอะไรแวบๆในใจไหมถามจริง นิดเดียวใช่ไหมเพราะอะไรเพราะไม่ระดมทำให้ต่อเนื่องต้องไปฝึกไม่พัฒนาพอเข้าใจอย่างคิดว่าจะทำได้ไหมมีการพยักหน้ายิก ย, กยักยิยักแล้วแต่เียเออคิดว่าอาตมามั่นใจพวกเราว่าทำได้ไหมถามจริงจริง คิดว่ามามั่นใจไหมว่าเนี้ยรุ่นนี้แหละจะเป็นรุ่นบุกเบิกในการที่ไปฝึกทานกุศลศีลกุศลขึ้นสู่สมาธิกุศลและปัญญาหรือภาวนากุศลเนี่ยได้อย่างแค่วคล่องชัดเจนและถูกต้องแล้วสามารถเป็นเนื้อเป็นตัวได้คิดว่ามามั่นใจพวกเราไหมถามจริงมั่นใจไม่มั่นใจ อาถามหน่อยพวกเรามั่นใจตัวเองไหมว่าจะสามารถฝึกฝนเพียรพยายามในการที่จะเข้าถึงคําสอนของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าก้อนลมหายใจจะขาดมั่นใจไหมมั่นใจไหมนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจะเล่งฝึกฝนเพียรพยายามอย่างเต็มรูปแบบเต็มสูบเต็มศักยภาพเต็มความสามารถจะไม่ปล่อยวันเวลาให้ทิ้งไปโดยปล่าประโยชน์เลยมั่นใจเพราะาตัวเองจะทําอย่างนั้นจริงๆหรือฟังแล้วกระเหลืองท่านท่านมีเวลาอยากพูดก็พูดไป เดียฉันก็จะทำแบบเดิมๆฉันจะไม่เปลี่ยนทัศนคติมุมมองวิธีคิดหรอกฉันเคยทำยังไงมาฉันก็ทำของฉันอย่างนี้แหละฉันก็มาฟังว่าเป็นวิธีฟังเสร็จฉันน่่งฉันก็นอนเน่ยฉันก็ทำแบบเดิมใครคิดแบบนี้บ้างหรือคิดว่าเอาละเราได้บริบทได้รูปแบบใหม่ในการนี้จะฝึกตนเองได้อย่างเต็มที่เราพร้อมแล้วที่ต้องการจะเข้ามาฝึกอบรม ในการที่จะฝึกผนพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่เราคิดอย่างนี้ั้มข้างหลังคิดัหยหรือว่าขอฟังดูก่อนยอมอมาถามหน่อยว่ายอมมั่นใจว่ายอมมีเวลามีเวลาในการที่มีเวลาเพียงพอต่อการที่จะเตรียมตัวนานไหม ถามว่าชีวิตที่เหลือเนี่ยคิดว่ามีเวลาเตรียมตัวได้นานไหมนานหรือไม่นานนานไม่นานคิดว่าเราจะมัวเ อ, อ้อระเหยลอยลมได้ไหมไม่ได้หรอกฉะนั้นต้องเร่งรีบแบบไหนเร่งรีบแบบมีข้อมูลหรือเร่งรีบแบบไม่มีข้อมูล ลองเร็งรีแบบมีข้อมูลนะคนที่มีข้อมูลถูกต้องตรงชัดเจนเขาก็ทำได้อย่างถูกต้องชัดเจนแต่มาก็เชื่อนะเชื่อมันม่นว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้และเมื่อฝึกแล้วจะเข้าถึงความประเสริฐเข้าถึงความจเจริญได้จริง พระรัชกาบอกทันโตเศษรษฐโอมนุษย์เสสุบอกมนุษย์ที่ฝึกตนเองแล้วจึงเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐถ้าไม่ใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญามาฝึกแล้วมนุษย์ท่านนั้นจะประเสริฐขึ้นมาเองไม่ได้เอาแล้วเรามาในครั้งนี้ก็คือเราเตรียมตัวกันในการที่จะฝึกพัฒนาตนเองเต็มที่เลยใครมีปัญหาอยากจะถามอะไรไหมมีไหม ไม่มีเลยเนาะอาจจะเริ่มยังไงเนี่ยจะเริ่มยังไงทีนี้ที่มาพูดมาเนี่ยก็คือต้องการอยากให้เราเนี่ยพูดเรื่องทานนิดหนึ่งนะยอมมั่นใจว่ายอมให้ทานเป็นไหมเป็นไม่เป็นอา้าใครใครเคยให้ทานบ่อยที่สวนยกมือที่ ให้ทานบ่อยให้อ้าวให้ใส่บาตรทุก mm. oh, okay. วันมีไหมอ้าวยกมือทีทุกวันเลยโอ้มีหนึ่งเลยอ้าวใครว่าอาทิตย์ละไอ้วันเว้นวันอ๋อวันเว้นวันอาทิตย์ละวันอ๋อมีเหมือนกันสองอาทิตย์ต่อวันสมอาทิตย์สี่อาทิตย์โอ้โหประมาณได้สี่อาทิตย์เพิ่งจะให้ทาน เดือนหนึ่งเดือนสองเดือนหนึ่งให้ครั้งสามเดือนปีหนึ่งให้ครั้งเอ๊ไม่ได้ให้ทานกันเลยหรือยองจริงไงเกิดมาไม่เคยให้ทานเขาเลยเลยเนี่ยเคยให้ไหมปีละครั้งด้วยเป่าปีหนึ่งหลายครั้งไหมถึงสิบครั้งไหม ปียังมีกี่เดือนให้ทานถึง12ครั้งไหมต่อเดือนเน่ะถึงไม่ถึงถึงไหมถึงนะอลองดูที่อะให้ทานปีหนึ่งเกิน12สองครั้งยกมือทิโอ้นช่วยหายใจลงคองนิดนึงเ <laughs> ออ <laughs> พวกเราให้ทานกันน้อยเนาะโอ้โหน้าอนยอมกินทุกวันไหม <laughs> กินทุกวันไหม <laughs> วันละกี่มือ้อ สามมือ้อแล้วให้ให้ให้ทานทุกวันไหมจริงๆยอมต้องให้ทุกวันพุทธบริษัทเนี่ยก็ให้ทานทุกวันนะจําไว้นะให้ทานทุกวันอย่างน้อยนะเอาน้ําใส่แก้วถวายพระเจ้ทาทุกวันทําได้ไหมล้อ ถามจริงเคยทำไหมทำทุกวันเปลี่ยนน้ำทุกวันเอาไปถวายทุกวันด้วยจิตบันจงด้วยจิตนอบน้อมด้วยจิตคิดจะบูชาแล้วนี่รือที่อยากจะพ้นทุกข์อ่ะที่ให้ทานปริมาณกันแบบนี้หรือที่อยากจะพ้นทุกข์ถามจริงๆยังต้องฝึกใหม่ไหมเอดูที่ดูอริยาสาวกก็ททำกันสิว่านาวิสาขาให้ทานทุกวันไหม ทุกวันน้กวิสาขาไปวัดวันละกี่รอบไม่รู้อีกจะบอกให้สองรอบเช้าบ่ายไปก็ของติดมือไปพร้อมได้บริวารบ่ายก็น้ำปนะนะเภสัชจะทานเป็นต้นเขาทำแบบนี้โยมคนที่ก็ปราถนาพ้นทุกข์เขาทำแบบนี้นี่เป็นข้อปฏิบัตินะ ข้อปฏิบัติที่พึงทำเป็นศีลนะ เ, เป็นจารีตเป็นจารีศีลคาว่าจารีก็ ค, าาคปืประเวณีประเพณีเป็นประเพณีที่พุทธบริษัทพึงกระทําเอาเราสิบางคนอยู่ไกลไกลวัดทำไงใช่ไหมมีไหมอยู่ไกลวัดไกลเยอะไหมเอาดูในบ้านหน่อยเราให้ทานในบ้านทุกวันไหมเอา ให้ให้สามีไหมให้ทุกวันัหยให้ลูกไหมให้พ่อแม่ไ้ยให้ปู่ตายายายไ้มให้เพื่อนไหมให้ไม่ให้แล้วเคยคิดว่านเป็นทานกุศลไหมหรือเป็นหน้าที่เห็นไหมก็ไม่เป็นกันอีกโอ้ต้องสอนกันใหม่หมดแล้วมั้งเนี่ยคืองี้ยอมทานกุศลเนี่ยยอมต้องเข้าใจนะ มันเป็นบริบทที่พุทธบริษัท ต, ต้องให้จิตที่คิดจะให้จิตที่คิดจะสละจิตที่คิดจะแบ่งปันเอ า, อางั้นนะเดี๋ยวไล่ไลเรื่องทานนะโยมพอเป็นตัวอย่างนิดนึงนะยอมเข้าใจคำว่าฉันทะทานังไหมให้แบบลาเอียงเพราะรักนียยมเคยให้ไหมรักคนนี้มากให้มากคนนี้รักน้อยให้น้อยเคยเป็นไมไมเป็นไม่เป็น เคยให้ทานแบบนี้ไหมพราะเรารักคนนี้มากเราจึงให้พราะเราักลูกให้ลูกรักหลานให้หลานรักสามีให้สามีรักรักภรรยาให้ภรรยารักพ่อให้พ่อรักแม่ให้แม่น้ำเอี้ยงเนี้ยแต่กก็ื่มไม่ให้เป็นไม่เป็นบ่อยไม่บ่อยอ น, นี่ทานมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเนี่ยมีไม่มีมีปัญหาตรงทานหรือมีปัญหาที่เรามีปัญหาที่เราวางใจไม่ถูกโทสะทานนั่ง ให้ไปโกรธไปเคยไปไหมเคยเป็นไหมให้แล้วบนด้วยให้สตังค์ลูกไปกินขนมที่โรงเรียนแล้วโกรธลูกให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะพอเคยโกรธไหมเพื่อนขอจุกจิกจู้จี้ผ้ามาเรียอะไรหน้าเกลียดเหลือเกินหงุดหงิดให้เงี้ยเคยโกรธไหมให้ไปเคยหงุดหงิดไหมเคยไม่เคยเคยไม่เหลือไม่เหลือเนี่ยให้แล้วโกรธ โมหะทานนางให้แล้วไม่รู้ผลของทานยอมเคยรู้ไหมเมื่อแจกทานลงไปเนี่ยสละทานลงไปเนี่ยรู้ทันทีไหมว่าทานนี้จะมีผลยังไงเชื่อมั่นว่าจะมีผลยังไงแล้วเห็นไหมเห็นผลของทานไหมคำว่าเห็นนี่เป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของตาหรือเป็นชื่อของตาเนื้อหรือตาปัญญาเออให้ทานแล้วมีปัญญา เห็นเหตุที่ทำแล้วเห็นผลที่จะได้รับเห็นจริงๆนะยมนะคำว่าเห็นผลที่รับเห็นด้วยความรู้เข้าใจอย่างชัดแจ้งอย่างทะลุทะลวงอย่างทะลุโปร่งนี่เขาเรียกว่าเห็นเห็นด้วยปัญญาแต่ถ้าไม่เห็นเนี่ยเขาเรียกโมหะทานังให้เราหลงให้เรามืดให้เราคิดไม่ออกเขาถามว่าให้ทำไมเนี่ยก็ไม่รู้ แล้วมันจะมีผลไหมไม่รู้ไม่ทราบแล้วมันมีผลยังไงให้ทานแบบนี้เช่นให้ด้วยศรัท ธ, ธาจะมีผลอย่างไรให้โดยไม่มีศรัท ธ, ธาจะได้รับผลยังไงไม่รู้เพราะไม่เคยฟังไงให้โดยนอบน้อมจะมีผลยังไงให้โดยจิตกระด้างกระเดืองไม่นอบน้อมจะมีผลยังไงก็ไม่ทราบ ให้ถูกการจะได้ผลยังไงให้ผิดการเวลาจะได้รับผลยังไงก็ไม่ทราบอีกให้สลัขาดจะได้ผลยังไงให้แล้วยังมีการยึดยงเหนียวแน่นอยู่ไม่ตัดกิเลสจะจะมีผลยังไงก็ไม่ทราบให้แล้วกระทบตนบุคคลอื่นกับให้แบบไม่กระทบตนและบุคคลอื่นไม่มีมานาทิถีแข็งกระด้างจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ก่อนให้ก็ดีใจจะมีผลยังไงขณะให้ก็เลื่อมายให้แล้วก็ยังความ ปลดัดปีติปลื้มใจเป็นใบกรยานไปย้ายเกิดขึ้นจะมีผลยังไงหรือให้แล้วก็เศร้าโศกก่อนให้ก็เศร้าโศกขณะให้ก็หงอยเหงาพอให้เบีดเสร็จแล้วก็บ่นจุกจิกยิยี้เนี่ยมันจะมีผลยังไงก็ไม่รู้ก็ไม่ทราบนี่เขาเรียกให้แบบโมหะทา น, นังเคยเป็นไหมเป็นไหมเป็นสําคัญไหมเรื่องการให้เนี่ย สำคัญหรือไม่สำคัญเอาเลยสำคัญแลยเพรา ะ, ะมันจะไปเชื่อมโยงกับศีลจะไปเชื่อมโลงกับสมาธิไปเชื่อมโลงกับปัญญาที่เป็นวิปัสนาปัญญานะถามยมมีความเชื่อไหมว่าถ้าไม่เข้าใจเรื่องทานกุศลแล้วจะเจริญวิปัสนาปัญญาได้จริงเชื่อไม่เชื่อจริงหร่อความเชื่อของเราเป็นเป็นความเห็นนะเอางี้ถ้าความเห็นของเราไม่สอด ช้องไม่สอดรับตามแนวของเหตุผลที่พระเจ้าให้ไว้เราจะเปลี่ยนความเห็นของเราหรือเปลี่ยนคำสอนพระเจ้าเปลี่ยนความเห็นหรือเปลี่ยนคำสอนเออนี่ตรงนี้นะอามาอาตอมาในต้องการเอาคำสอนเป็นตัวตั้งเอาเป็นข้อมูลกลางเอาเป็นข้อมูลในการวินิจฉยัยแต่ไม่ใช่เอาความเห็นเป็นตัวตั้งเป็นตัววินิจฉยัย เข้าใจไหมล่าสรุปแล้วก็คือว่าเรามีพระธรรมคำสอนของพะุทธเจ้าเป็นข้อมูลเป็นแม่แบบเป็นต้นแบบในการจะวินิจฉัยว่าความเห็นของเราเนี่ยตรงหรือไม่ตรงถูกหรือไม่ถูกผิดหรือถูกใช่ไหมอย่างนี้ขึ้นใจไหมพร้อมจะปรับเปลี่ยนความเห็นไหมให้สอดคล้องตามแนวของเหตุผลที่ถูกต้องถ้าพร้อมอย่างนี้เขาเรียกว่าพร้อมที่จะปรับปรุง ตนเองเต็มที่สรุปแล้วโมหาทานนางเนี่ยต้องแก้ไขไหมแก้ไขที่ไหนต้องให้เกิดความเข้าใจในการให้ทานจริงๆฉะนั้นเรามาคอร์สนี่ไม่ผิดหวังหรอกไม่ผิดหวังเดี๋ยวเราจะเดินได้ทุกรูปแบบเดินได้เต็มสูบถ้าตั้งใจจริงๆนะจะเดินทั้งทานก็ได้ศีลก็ได้พัฒนาสุดสมาธิและปัญญาและยอมจะไม่มีเราก็เอ๊ะทาไมเราปฏิบัติเจดวันมันได้ผล พอกลับมาตกอีกแล้วหงอยเหงาเศร้าซึมอีกแล้วไม่ได้เลยเนี่ยเป็นเพราะอะไรปฏิบัติกันมาทั้งหลายปีอะไรหนอเป็นปัจจัยทําให้เราปฏิบัติไม่ขึ้นสักทีเลยเนี่ยเดี๋ยมจะได้คําตอบฐานมันสุดฐานระดับฐานมันสุดระดับศีลมันสุ ด, ด, สสดขึ้นสู่ปัญญาได้ไหมเหมือนปลูกเรือนไม่มีเสาเข็มมาเยอะเนี่ยที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยเสาเข็มสุดหมดเลยเนี่ย ฉะนั้นตอนนี้กำลังจะมาทำอะไรกันจะปลูกอะไรจะปลูกสมาธิและปัญญาแต่ตอนนี้กำลังวางอะไรวางรากวางเสาเข็มลงในกระแสะชีวิตให้เกิดความมั่นคงต่อไปจะขึ้นมั่นคงจะขึ้นกี่ชั้นก็ได้จะขึ้นวิปัสสนาญาณกี่ขั้นก็ได้จนบรรลุอริยมรรคอริยผลก็ได้เพราะฐานฐานมั่นคงแล้วสำคัญหมตึกนิยมคิดว่ามีเสาเข็มไหมเนี่ย ลึกไหมเมื่าไม่ลึกสุดนานแล้วเนี่ยตึกนี้ตึกเก่าด้วยใช่ไหมอ้าวชีวิตของเราเนี่ยในกระแสะชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาหลายอัตภาพไหมยังหลายหรือยังในสังสารวัตรหลายแล้วแต่ทําไมไม่บรรลุเพราะอะไรฐานของเสาเข็มมันสุดฐานของทานกุศลสุดฐานของศีลกุศลสุ ด, สสสดและสมาธิกุศลน่ะจะเกิดได้ไหม ถ้าสมาธิไม่เกิดปัญญาจะเกิดได้ไหมไม่ได้พุทธพจน์บอกไว้เลยอนะสมาธิงพิเกเวบาเวถาสมาฮิโตยะถาภูทางประชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญจงฝึกสมาธิให้ได้ถึง อ, ถอุปจารลสมาธิอัปนาสมาธิให้ได้ปฐมฌานทุติยฌ า, านตติยฌานยตติฌานและให้ได้ถึงอารมูปฌานทั้งสด้วย เมื่อเธอได้สมาธิระดับนี้แล้วสมาธิระดับเก้าอย่างนี้แล้วจะสา ม, มารถเจริญวิปัสนาปัญญาที่ไปรู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริงได้นี่พุทธพจน์นะนี่พุทธพจน์นะคือคําสอนพระเจ้านะยอมเชื่อไหมข้อมูลเนี้เชื่อไม่เชื่ออ้าวแล้วสมาธิล่ะมีอะไรเป็นปัทถาฐานอ้ามีศีลอ้าแล้วศีลเดินไม่ได้ ศีลศีลต้องไปกับอะไรศีลต้องไปกับทานกุศลเพราะศีลจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงต้องเชื่อมยงยึดยงกับทานคือการให้การสละการแบ่งปันใช่ไหมเอาละสิแต่นี้แต่นี้เราเราไม่เข้าใจอ่ะเราเดินทานกุศลก็ไม่ไม่มีศีลกำกับก็เป็นทานของคนที่อย่างเงี้ยเอียงอย่างเงี้ยลำเอียงเพราะรักก็ให้ลําเอียงเพราะโกรธก็ให้ลําเอียงเพราะไม่รู้ก็ให้ ลำเอียงพราะกลัวเคยเป็นไหมยอมไปให้ทานแล้วกลัวเสียชื่อเคยเป็นไหมแล้วกลัวไม่กลัวเช่นถ้าจะไปบริจาคเข้า ย, ยุ่พุทธเขาบอกอนะันนเราจะจารึกชื่อทุกคนติดผนังเลยบริจาคเนี่ยสร้างในยุ่พุทธนียถามว่าจะติดใส่พันพันหินอ่อนยอมกล้าบริจาคหบาทไหม ก้า ไ, ไหมเขาแค่แค่หินอ่อนแค่แกะหินอ่อนก็แพงกว่าห้าบาทอยู่แล้วยอมยอมคิดว่ายอมจะกล้าบริจาคหบาทไหมเอาชื่อเราด้วยนามสกุลด้วยพร้อมทั้งครอบครัวบริจาคห้าบาทมีชื่อแกะติดเส า, สาหินกล้า ไ, ไหมกลัวอะไรอ่ะกลัวเขาเอาไปล้อกันใช่ไหมกล้าบริจาคห้าสิบสตังค์ไหม นี่ไงอันนี้ก็เรียกกลัวให้เพราะกลัวกลัวเสียชื่อเป็นต้นบางคนก็กลัวเสียหน้าบางคนก็กลัวโดนว่าเอาใครเคยทำงานราชการไหมทำงานราชการเจ้านายเขาก็บอกว่าเออเนี่ย เ, เราจะมีเขาจะมีการเลี่ยนอะไรกัน ในการที่จะไปสร้างประโยชน์ทห้ทุกท่านช่วยกันบริจาคถ้าใครไม่บริจาคจะไม่พิจารณาเรื่องขั้นและเงินเดือนกลัวไหมกลัวไหมกลั ว, วนี่ไงเยอะหมดไม่ให้ก็ไม่ได้เดยวชาวบ้านก็ไปดินทาว่าเราเนี่ยเป็นคนตนดีทีเนี้ยอาอายเขาไม่ให้ลูก ไม่ให้เงินลูกมันก็ไม่ได้ไม่ให้เงินสามีไม่ให้เงินภรรยาเป็นต้นเหล่านี้ก็กลัวเขาไปโดนเป็นบ้าเป็นต้นก็กลัวนี่เขาเรียกพยะทานังยมเคยเป็นไหมยมตอบตามความเป็นจริงนะผู้รักษาศีลก็ห้ามโกหกเอา้าเคยไหมเคยให้เพราะกลัวไหมเต็มเป็นประจำเลยจะ่าใช่ไหมกับลูกกับหลานกับญาติมิตรให้ตามประเพณี ตรุษทีสงการทีมีเทศกาลสมการดีให้ไหมเนี่ยก็ได้ให้ตามประเพณีไม่เข้าใจเหตุผลหรอกให้ไปไงั้นแหละตอนอะไรนะแจกอ่างเปากันช่วงไหนเออนั่นแหละให้กันไหมห <experimental. S 2> มอเผือไม่ใช่คนจีนก็ให้เขาด้วยเนี่ยนีมันนึกครึ้มกับเขาก็เอาให้กับเขาไปงานตรุษงานจีงานเจ้าพ่อเจ้าแม่ให้กันกลัดหมดแหละนี่ประเพณี ให้หวังสุขติโลกสวรรค์ได้ยินมาว่าให้ทานแล้วจะไปสวรรค์ย่อมเคยหวังแบบนี้ไหมการให้ของเราในครั้งนี้ขอให้เรา่าได้ตกกระบายภูมิเลยเอะขอให้ไปสวรรค์ไปสุขติโลกสวรรค์เถเคยอธิษฐานแบบนี้ไหมนี่เ้าเรียกให้ระวหวังสวรรค์เคยเป็นไหมเอา้าให้แล้วมันสบายใจนะรู้สึกว่ามีให้เขามันสื่นใจ มีของให้เขาใครมีแล้วให้ตักน้ําให้เขามันคือสบายใจก็เลยทำฉันไม่คิดอะไรมากหรอกขอให้มันสบายใจไปแค่นั้นเองคือได้ให้แล้วนี่เจอย่างเนี่ยเอามีไหมให้เพราะลําเอียงเพราะรักให้เพราะลำเอียงเพราะโกรธให้ลาเอียงเพราะหลงให้เพราะกลัวให้ตามประเพณีให้หวังสุขติโลกสวรรค์ให้แล้วมันสบายใจเอาเจอย่างเนี่ยถามว่าเกิดกับเราทั้งหมดไหม เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเจ็ดอย่างนี้เป็นการปรับทัศนคติมุมมองและค่านิยมที่ยังไม่ตรงตามคําสอนถ้าเจออย่างนี้แล้วเนี่ยเรากล้าจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนความเห็นไหมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเอาใครจะเปลี่ยนมายกมือที่จะได้บอกอ้าวพร้อมที่จะเปลี่ยนเอาใครบอกว่าเอาแล้วจะทำมันจะให้แบบเนี้ให้อย่างเดิม พระจาบอกว่าถ้าให้อย่างเจ็ดอย่างนี้เป็นทานกุศลที่ยังมีตันหาเข้าผูกพันคือความอยากมีทิฏฐิคือความเห็นผิดเข้ายึดติดอยู่มีมานะคือความยกตนหรือตนเป็นต้นเนี่ยเป็นตัวอิงอาศัยเป็นการให้ที่เป็นไปกับปะปัญจธรรมไม่ใช่สาบอีกแล้วธรรมที่ทำให้เนิ่นช้านในการพ้นทุกข์ มันเป็นกิเลสตัวปั่นมันทําให้วุ่นมันทําให้วุ่นทําให้วุ่นทําให้ยุ่งไปหมดแหละแล ะ, และสังสารวัตก็ยืดเยื้อกระแสชีวิตก็ยืดเยื้อไม่สามารถนําตนเองให้ออกจากวัฏทุก์ได้เป็นการให้ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขทัศนะแบบนี้ผิดทัศนะอย่างนี้มุมมองวิธีคิดแบบนี้ไม่ตรงตามพระสัจธรรมคําสอนของพระเจ้าฉะนั้นพระเจ้าสรรเสริญจิตตะลังการาทานัง ให้เพื่อปรับจิตประดับจิตปรุงแต่งจิตฝึกหัดจิตขัดเกลาจิตไปสู่อะไรไปสู่ศีลที่ถูกต้องก็คือฝึกหัดจิตที่เป็นไปกับเมตตาเป็นไปกับกรุณาเป็นไปกับมุทิตาให้ถูกต้องฝึกจิตเป็นไปกับศรัทธาเชื่อมั่นกรรมที่ทำผลที่จะได้รับเป็นไปกับความเพียร ในการที่จะบากบั่นก้าวไปใจสู้ไม่ท้อถอยพร้อมที่จะประคองจิตที่เป็นไปกกุศลเป็นไปกับสติในการที่จะระลึกระลึกอย่างมั่นคงเป็นไปกับสมาธิคือความตั้งมั่นเป็นไปกับปัญญารู้เหตุที่ทํารู้ผลที่ได้รับคือปัญญาคําว่าให้ทานที่ประกอบไปด้วยปัญญานี่นะแปลว่ารู้เลยเนะี่ยทำเหตุอย่างนี้จะได้อะไรยอมรู้ไหมว่าวันที่โยม มาสมัครจะมาปฏิบัติที่ยุพุทธในโครงการสัมมาปฏิบัติเนี่ยพอยอมสมัครปุ๊บยอมรู้ไหมว่ายอมจะต้องได้มาปฏิบัติรู้ไม่รู้แล้ววันปฏิบัติน่ะได้มาปฏิบัติหรื อ, อยังเออวันสมัครอะ่ะยังแต่ทําไมรู้ทําไมรู้เพราะเข้าใจเหตุที่ทําและผลที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราใช่ไหมนี่เขาเรียกอะไรเกิดความรู้ความเข้าใจเกิด แล้วยมหย่อนว่าอามิตรวัตถุทานเนี่ยหย่อนลงไปในบาทของพระสงฆ์แล้วยมรู้ไหมยมให้เนี่ยมันเป็นผลเป็นเหตุและผลคืออะไรจะเกิดขึ้นมันเกิดความเข้าใจไหมถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจแปลว่าปัญญาเกิดหรือไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดก็คือมันมืดมืดไงเช่นให้อ๋ได้ยินมาว่า เขาว่าให้ทานอย่างนี้แล้วญาติจะได้กินอาหารเราก็ให้พอให้เสร็เสร็จก็รีบไปเท น, น้ำกันใหญ่สมมติพ่อชื่อแดงขอให้พ่อแดงจงได้รับผลของทานนี้ใช่ไหมเราคิดกันอย่างนี้จริงใช่ไหมแต่ถามว่าเห็นไหมเราเข้าใจจริงจริงไม่ว่าได้รับ เข้าใจไหมเรื่อมันเกิดเพียงแค่ทัศนะมุมมองความเห็นว่าคาดว่าน่าจะหรือเกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้สมมุติว่าเราไปเขียนใบสมัครว่าเราจะมาสมัครโยพุธเราเชื่อไหมว่าเราจะได้มาปฏิบัติจริงๆเ ช, ชื่อไหมทําไมเชื่อเอาใหม่ oh เรานั่งรถจากบ้านแล้วรถก็จักมาที่โยพุษเราเชื่อไหมว่าเรานั่งเราสร้างเหตุคือนั่งบนรถนั้นรถจะพาเรามาถึงที่ตรงนี้เชื่อไม่เชื่อแล้วมั่นใจไหมมั่นใจไหมเวลาให้ทานเรามั่นใจขนาดนั้นไหมว่าจะต้องมีผลเกิดขนาดนั้นมั่นใจหรือไม่มั่นใจต้องก็ทําเหตุเหมือนกันทําไมไม่มั่นใจเรา อะไรมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยทำไมไม่มั่นใจเนะี่ยเอามาทาไมเอามาถามพระเนเ น, นเนี่ยคุณมั่นใจไหมคุณให้ทานวนะ่าผลจะเกิดขึ้นยังไงมั่นใจเอามั่นใจไงผมให้ด้วยศรัทธาพระเนี่ยที่มานี่พระภิกษุสามเณรที่มาเนี่ยฝึกเจริญทานกุศลกันนะค่ะท่านเป็นพระทำไมท่านต้องฝึกเพราะพะพุทธเจ้าบอก เพราฝึกทานที่เป็นใบกระสีน่ะถ้าอย่างนั้นท่านจะเจริญสมาธิกันยังไงถ้างนั้นท่านจะฝึกเจริญปัญญากันยังไงก็ไปไม่ได้ท่านต้องลงเข็มกันอย่างมั่นคงและลงอย่างติดต่อลงอย่างต่อเนื่องด้วยนะฝึกทุกวันท่านให้ทานกันทุกวันนะเนี่ยทำไมท่านจะต้องเตรียมบาปมาบินาบาสด้วยเพราะท่านจะต้องไปแสวงหาอาหารด้วยปรีน้องด้วยลําแข้งด้วยเลวแรงด้วยกําลังของตนเองได้มาด้วยความบริสุทธิ์เมื่อได้ทานมาแล้วท่านเจอพระที่ไหนท่านแจกท่านถวายถวาย กลับมาก็มาถวายเด่ภิกสูสงฆ์ท่านก็ให้เป็นด้วยนะให้แกใครก่อนหนึ่งได้วัตถุทานเหมาะสมไหมเอาอาหารประเภทไหนเหมาะสมเนี่ยองนี้ให้แก่พระเถระองนี้ให้กับพระรองลงมาหรือถ้ามีผ้าป่วยดูแลยังไงท่านทำของท่านอย่างต่อเนื่องทาทำไมเป็นทานกุศลไหมเป็นศีลด้วยไมเป็นทั้งทานกุศลและศีลกุศลนี่ข้อวัดที่ข้้องต้องทำเนะ ถ้ไม่ทำเพิ่มฝึกสมาธิปัญญาไม่ได้จริงๆนะยอมได้ขวนขวายกันขนาดนั้นไหมขวนขวายไม่ขวนขวายต้องขวนขวายถ้าไม่ขวนขวายเนี่ยยอมเอ้ยปฏิบัติไปก็สุดปฏิบัติไปก็สุดอยู่เนี้ยยอมก็สุดไปเรื่อยๆนี่แหละพอสร้างขึ้นมาสักน้อยหนึ่งเนี่ยโอ้โหพอขึ้นมาสูงอะสุดตกไปเลยแล้วบ่อยหลายครั้งได้เนี่ยสุดกันหลายครั้งลใช่ไหม ยอมรับความจริงเราจะรู้ว่าจริงๆความจริงเป็นแบบนี้แหละมันสุดยอมบางทีสมาธิไปตั้งๆหน่อยตกซะอีกแล้วเจอเหตุการณ์อะไร ห, หน่อยสุดหมดเปัญญาจะขึ้นมาสักหน่อยไปไม่เป็นอีกแล้วสุดเนี่ยกลุ่มกรรมฐานสุดกันเป็นแถวเปนแถวเพราะอะไรฐานอะไรไม่ฐานอะไรไม่แข็งแรงฐานกุศลและศีลกุศลไม่รอบด้านุด ได้มมหรื อ, อยังแต่เหลือวิธีการเนี่ยวิธีการที่เราจะต้องฝึกแล้วต้องฝึกแบบแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเวลาเราจะขึ้นรถที่จะมาโยพุทธเนี่ยยอมเ บ, บื่อไหมเ บ, บอือคันไหนก็ได้ว่าคอยเป็นรถที่จะขึ้นยอมทําแบบไหนต้องดูก่อนไหมว่ารถจะมาผ่านทางนี้หรือ ถ้าจะให้คนมาส่งต้องให้คนรู้ทางไหมเอาคนที่มึนๆไม่รู้เรื่องเขาจะพามาถูกไหมไปคนละเรื่องเลยดันั้นต้องเข้าใจจริงๆและหวังว่าพวกเราเนี่ยจะตั้งใจแต่การที่จะฝึกฝนกันจริงๆพร้อมหรือยังเอาหมดเวลาแล้ว อาปนนมือนะเออให้เราตั้งใจกันนะว่าเราจะเข้าเนี่ยเห็นไหมเวลาผ่านไปแล้วเรามายังไม่ค่อยมั่นใจว่าพวกเราจะฝึกกันได้เต็มที่แค่ไหนฉะนั้นต้องพยายามทำความเข้าใจให้ชัดแล้วก็พยายามฝึกทุกด้าน ให้เต็มที่ให้เต็มศักยภาพอย่าท้อเราสละบ้านสะละเรือนสละบุตรสละสามีมาแล้วเขาเรียกมาเป็นนักบวชแล้วตอนเนี้กายมาแล้วใจให้มาด้วยจะตั้งใจฝึกฝนกันเต็มที่เลยดีไหมฝึกกันให้เต็มที่อย่าปล่อยโอกาสนี้ให้ผ่านไปโดยการโดยปล่าประโยชน์ให้ตั้งใจให้เต็มที่เดี๋ยวต่อไปเราอุทิศ ส, ส่วนกุศล น, นะ สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนบัตดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักให้และมีบุญคุณ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 หรือฝึกในการที่จะมาระลึกระลึกถึงศีลกุศลแต่ละข้อละข้อไปก่อนก็ได้นะตอกย้ําเพื่อให้เสาหลักนี้มั่นคงนะแต่ละข้อฝึกให้เกิดขึ้นให้ได้ปราโมดปีติจริงๆฝึกให้ศีลเกิดเป็นแต่ละข้อละข้อจริงนะถ้าไม่ได้ก็ตั้งจิตให้สงบแล้วค่อยๆฝึกไปว่าเราได้เดินกุศลศีลข้อที่หนึ่งมาอย่างไรให้คุ้มให้เมตตายัางไงให้ความรักปรารถนาอย่างเคยบอกไว้นี่แหละ เอาไปฝึกเดี๋ยวต่อไปเราขึ้หมวดขึ้การที่จะเจริญกรรมฐานที่เป็นกรรมฐานหลักจะได้ทำได้เต็มที่และเต็มรูปแบบคอยประสบความสำเร็จกันนะ